มานาั่งยืเกันสี่เนี่ยอ้กจัก้ามเอาคิดใจจะฟ้องไม่ได้อยู่แ้ไงมา น, านั่งเหนือพักตอมใจจะค้องไปอยนี้มันกระจั ก, กระจายไปไป น, นั่งช่างตาข้างหูข่างปากอันทุ่กโบงจักยังสมารถมาแลกเลี้ยวไปกุ่นเลี้ยวไปที่ ตั้งคุณตั้งที่ไปเลยหาแนวหาเหลืองมาวอลโซ่เป็นแ้ลแ้ลอยูข่ขณะทีต้นอื่นเขากําลังบุญไหวย้ยื้อกำเหลืองโซกันเวอลกันคุยกันยเดี๋ยวไปคุณไปที่เข้ากำหนดใจจนน้านั่งยื้อซือเงินกำหนดไวก็ได้รอกใจเ น, น, นี่ยนะการกาหนดเราไม่กังยู การบวกกำหนดแล้วมันโอยู่ดอกใจมันไปยากมันไปแย่ไมได้มันไปเร็วเพื่ออยัางนี้แต่ขั้นตอนมันซ้อมเรื่อยมันกำหนด่เรื่อยการกำหนดนั้นการซ้อมนี่แห่ะซ้อมให้มันหุ่จักมันว่ามันอยู่หรือโมยูซ้อมจนแล้ะก็แปลว่ากำหนดล่ะแต่ว่าภาวนามันซ้อมดูเข่าที่เขามันอยู่ได้เมดใจยูมันใจยูเราได้ละ ได้ละเดโตนึ่งละเอาจงสี่เลยพี่พีเอ า, อ า, อเอาเน่ยลังคงน้นบงแักยังคือว่าจุสี่เอาไปนั่งสมาธิมือแรงเอาไะเดินยงผมเน่มูบายเนี่ยมอเว้นบนัน เ, เนเนี่ ย, ยาวจะไปเอาขี้เข่าบัเนี่ยผูไดสีเฮ็ดยังมือเยอะตตามมานั่งก็ต้อมตัวของโลดซ้อมเบิ้งคือคืนอยู่น่ ใจมันอยู่ว่อยู่ก็เหนื่อกับโตว่อใจกันยู่ก็เหนื่อกับโตมันหงมือจะท้องอยมือสิ่งที่ไปนั่นไปนี่เด้งมือไปนั่นเปนี่มันหงจัดเลยนั่นแหละแต่ว่ามันใจมันอยู่นั่มจะท้องอันใจยู่นั่มจะท้องมันบ่ห่อนบ่ห่อนดอกมันบ่ทุกดอกหกสีก็ทุกทุกจนว่านาดําหนาแดงจนว่าให้จนว่าเทียงกันจนว่า่ากันปีกันนั่นะ นนใจนั่งบ่อยู่นี่แหละรักษ า, าใจเนี่ยจนถึงของมีคาล่ไหลอันทน้งมี่อยเอาสิ่มเอาสิ่มคุยแต่ว่าโอ้โหเศเอาค้อยนี้ของมีคาอยู่ในผงในงามยิบออกเมยิบออกสิ่มซมือซูเว้นันน่นติดไปหาของเจ้าสั่นี่ิไปหาเศษหาข้อ ย, อย่างนี้หรอเศษข้ยอยอเดี๋ยวเฝ้ามาทินมเอาสิ่มเอาสิ่มเอาสิ่มโยงเสี มัน I I ่นพอถึงด hmm. ีๆอันนี the ้เป็นวัสูุกันฟั้งที่ซื้อได้โมเมนตัจังสอนเนี่ยดอกเนี่ยมเนต์จังสอนยังเป็นเซล่์วัสดุกันตังว่าดีไม่เป็นสีละผู้อื่นสอนมันมันบอได้นต่จำบอกเลังก็ว่าเคจากันล่ะฟังไปยังกันลักแคี่ยวา่เอาดอกแต่ว่าคันเจาะองเลย่อมเจาะองเดยซักเือนเจาะองเลซอนเจาะองน่มันฟั้งเลยพ่ะย่ กันไม่เท่าสีดามันสีดามันผิดทานมันเลยนิทำไม่เท่าสีมันเองขามนเองด้ามันเองนั่นว่าเป็นโทษเนียกานผู้รุนมาบอกจังไนเมื่อไรเนี่ยตึ้งเป็นรลดย่หนาแดงหูแดงเกิดหยาดไอมันจะพร้อมซ่อมยุดของแบบเนี้ยักเกื่อนจุฟของกันเกลื่อนแห้งกว่าน้มันกระบบเป็นยังหรอไอแห้งแห้งกระบบเป็นยังนั่นล่ะปวดไผ่ไม่จำบกเกิด ในผู้อื่นเบากกอนปาก่อนมมันอยากเกิดโสดเิไฟเมืนอูบาอาจารย์เขาลบกันได้กับกันอันเบารู้ไหลเบาบเด็กแล้วมาถึงแค่ห้าบบเด็กมาถึงแค่ห้าเทียดใงสั้นเลยไอ้ซ่อมเจ้าของเนี่ยน่ายูนมีที่ซอมก็ยากอกอัดอยู่กับโจเจ้าของอยู่เรื่อยๆอันแต่อยู่แล้วมันติดจับหูเมื่อเจ้าของ ผันใจบรยูงมันบกหงมือได้บกงมือขีจะปของได้ม่แสแหละอันเท่ายูก็เดียวกองสิอันใจมันยูแล้วมันติเห็นหรอกว่าองเฮาบดหอวยูคือใจกระยูตาต้องไปขุ่นมังไปที่ตากระวหู้บตั้งไปกูอื่นบ่บิงจะปของจะเหยู่มันติจัดกันแตนี้ันพอใจยูสะกันประซ้อนเจของกันนู้โมจัดอก ผู้ใดเปืียนมันก็บเาเสื้อออกบ้างถันซ่อมดีๆอันซ่อมดีแต่มันจะเห็นเห็นหม่งบอดีเท่ากระซัวออกอันอันใดเห็นทีนหนีว่าเขาบทันดีเท่ากระต่ า, า, างกระเสริมึน้นมากแตงชนาจิตในสีนวลบอดันนี่ใหญ่สียูซือซือยืนหนึ่งนิ่งจะข้าวไหมนะมันงสบอดะไรกันอย่มันสะบอยู่ไห่เล้ากระฮักกันไย่ล่ะ ก็เด็รนะนี่นะมันสิดีมมนสิสร่างน้ํานะม่ยว่งนี้ละไม่ยุ่งไปรอก